แล้วความเงียบจะปรากฏเป็นเนื้อหาของชีวิตให้เห็นเปิดเผยความจริงของความเงียบเชียบความไม่มีอะไรเป็นฝักฝายไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะความไม่มีอะไรเป็นฝักฝายการที่เห็นความไม่มีเป็นฝักฝายของสองขั้วนะเห็นได้โดยมักเท่านั้นเห็นด้วยความคิดปรุงแต่งไม่ได้ครับเช่นเราบอกว่าทองกับดินเหนียวเหมือนกันเนี่ยเห็นด้วยสายตาแยกยไม่ได้มันค้านตัวเองตลอดเวล า, ลาเพราะจิตมันยึดทองว่าเป็นทอง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 นึกถึงมะพร้ามันไม่ใช่ตาลทั้งสิ่งเหล่านี้ตานกับมะพร้าวผู้หญิงผู้ชายภาวะที่ดูหลากหลายผิดแรงหมดกลับเป็นราคาเป็นศูนย์หมดเพราะทองคําราคาเป็นศูนย์ครับก่อนหน้ามนุษย์จงบัตรขึ้นในจักรวาลหรือในโลกนี้ทองคํามีแต่เป็นศูนเป็นศูนย์ไม่ได้หมายมันไม่มีนะมันปรากฏแต่ค่ามันเป็นศูนย์ศูนย์ในนี้หมายชาเลนคณิตครับในในคณิตศาสตร์ที่เราใช้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 กุลงตรงนี้ได้น้ํากับที่อเมริกาที่มาเลเซียก็เป็นน้ําเหมือนธาตแท้ดินน้ําไฟลมไม่มีทั้งชื่อไม่มีทั้งเจ้าของแต่ไม่ใช่ไม่มีอยู่ครับมันปรากฏอยู่จริงๆแต่นปรากฏอยู่ในลักษณะอิง ก, กันเกิดปัจจัยต่างๆเหมือนที่ผู้เจ้าบาวอย่างเงี้ยอิทัิปัจเจ ต, ตาสิ่งทั้งปวงไม่ตั้งอยู่ได้โดยตัวมันเองโดยเ อ, ยเอกเทศมันอิง ก, กันเกิดแต่ดึงเงินหนึ่งออกอันหนึ่งจะล้มตาม ป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยภาวะท้าทายในปัจจุบันนะที่มนุษย์เป็นเหตุของการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ของสัตว์บางชนิดและชวนสงสัยมนุษย์จะอยู่ได้หรือเปล่าเหมือนกฎของอิทธพยาตานะทุกสิ่งอิง ก, กันเกิดและอิง ก, กันดับเมือนอนนี้ดับอันนี้จะดับอันนี้จะดับอันนี้จะดับผมว่าน่ากลัวน่ากลัวทีเดียวต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในโลกนี้นะครับก็ไปสู่เรื่องวิญญาณครับวิญญาณก็เหมือนธาตุดินน้ำฝ่ายลมมันปรากฏที่นี่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 ผมกัวงวชวนพูดในเรื่องโมหานที่แปลกประหลาดแล้วครับแต่นี่เปะนะ็นเนื้อหาที่สำคัญมากเมื่อปัจจัยพร้อมสิ่งนั้นจะเกิดเมื่อปัจจัยดับสิ่งนั้นจะดับนั้นความจำารงทรงอยู่ของสภาวะต่างๆนั้นอยู่นอกเหนือภาษาและความคิดภาษาและความคิดสวิงจุดขั้วไ้มีกับไม่มีเท่านั้ น, นครับพระเจ้าบอกว่าท่านเองไม่ได้สอน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 แล้วค่ำคืนทุกค่ำคืนของพระเจ้าคือค่ำคืนการตรวจสอบว่ากันว่าบางพระจูดท่านเสด็จเดินจงกรมแล้วก็พิรรมพ์พำปฏิจจสมุปบาทอภิชาติมันเกิดสังขารสังขารต้องเกิดวิญญาณราขวาว่าท่องบนมนพระพิสุทธ์ซึ่งเป็นฮินดูมาก่อนก็เข้าจะปิดสงสัยพระองค์ท่านเอ๊ยยังติดนิดสัยพวกฮินดูอยู่เปล่าสังวัตทยายมนท่านบอกเปลา่าน่ากันแน่ฟังว่าสิ่งนี้สําคัญ นั้ทุกขางคืนการพยากรปัญหาเทวปยดานั้นคือมิติที่ลุ่มลึกที่พระเจ้าพยายามคน้นวิธีทางที่อธิบายมนุษย์เข้าใจให้ตรงได้ย้อนรอยไปอดีตพุทธวัตรไป น, นิดนึงครับในใต้ต้นโพเหตุการณ์ที่ใต้ต้นโธรรมนิยามปรากฏขึ้นแต่ไม่มีธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติถึงเกิดช่วงหลังลพระเจ้าบัญญัติขึ้นทีสิข้อสล้อสิลกอ ขผมใช้อัตนัยนะครับอธิบายเหตุการณ์อุปกระสิวที่สวนทางพระเจ้าพระเจ้าเสด็จประการศีเพื่อโ ป, ปรดปัญจวัคคีนะครับเจอสวนทางกันเขาเห็นอินทรีป่องสายเขาก็ถามว่าท่านเป็นใครอินทรีป่องสายนักท่านชอบใจสมองใครพระเจ้าบอกเราเป็นเสียมภูรู้เองไม่มีครูเราไม่ใช่ครุฑไม่ใช่นาคไม่ใช่คนทันเธอจงจำว่าเราคือพุทธะเขาแลบลิลหลอกท่านเขาไม่เชื่อครับเพราะพระเจ้ายังไม่มีธรรมบัญญัติ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 ดอกบัวไม่ได้ชื่อดอกบัวทะเลไม่เคยชื่อทะเลเลยท่าเชื่อไหมครับเชื่อหรือเปล่าว่าทะเลนั้ไม่เคยไม่เคยชื่อทะเลเลยเราไปเรียกมันขึ้นมาเองนะครับแต่ที่ลึกที่สุดคือเราก็ไม่ได้เป็นเราตามที่เราคิดครับขมขายของตาขา่ายความคิดนั้นถักทอขึ้นและบทบังสภาวะทำดั้งเดิมจริงๆทึ่ง น, นอกเหนืนนอระบบภาษาและความคิดถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะครับ ทันจะไม่สนใจความคิดเลยไม่ให้ไม่ยอมตกเป็นทาสก็มานึ่งต่อไปแล้วจะเกิดการกรบฏขึ้นมาบางทีต่อความคิดแต่กบฏต่อความคิดนั้นอันตรายอยู่นะผมหมายเนีว่ามีการกอ่กอ f o r ของความรู้สึกตัวชีวิตสัมผัสล้วนๆนะพอกันทีสําหรับชีวิตของตักกัพอกันทีสําหรับชีวิตที่คิดนำทางมาตลอดเวลาแล้วมีแต่ความเจ็บปวดปวดหัวเป็นปถม คิดมากก็มึนงงคิดา่าต่อให้คิดธรรมะนะแล้วคนคิดธรรมะมากนั้นเข้าข่ายที่ขอโทษนะผมไม่ได้ว่าเจาะจงกันไหนบ้าธรรมะครับกาลางคนเผลอในสังคมคือลำพึงลำพันถึงธรรมะแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับในที่สุดเราจะงงมากว่าธรรมะมันคืออะไรกันแนะ่แต่ถ้าเราจับความรสึกสดตลอดง่ายดีเยอะจัง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 จึงเป็นปัญหาที่ตอบง่ายมากครับมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครัท่านบอกกับสิ่งที่ท่านอสอนจริงจริงหรือเจตจำนงที่ให้คนรู้ย่างเท่าเนี้ยคือเรื่องอริยสัจสี่เรื่องทุกข์เรื่องเหตเรื่องความดับทุกข์ที่มีอยู่แล้วในตนคาวินิโรธแปลว่มันมีอยู่แล้วนะะส่วนทางท่านเพิ่งประกาศ่ท่านประกาศว่าเมื่อไต่ไปตามทางอันนี้นะก็จะไปถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้ได้คือนอิโรธซึ่งเป็นอยู่แล้วนะ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 ดั้งเดิมอยู่ในตัวเราเราตายไปตามอริมักเรืป่ปเพื่อเข้าถึงสิ่งที่เป็นสมบัติแท้ๆของเราด้วยครับแต่ถ้าเราใช้ความคิดเราก็สร้างนิพพานขึ้นเองเหมือนรัทติอื่นวันสุดท้ายที่สาวกองทายถามถามปัญหาประเด็นสกาจกันนะครับสาวกองทายสุภัททะถามว่าศาสนาอื่น มีพระยาเจ้าหรือเปล่ามีผู้รู้อย่างนี้หรืมีมรรคผลอย่างนี้เปล่าพเจ้าบอกเธอมีเวลาน้อยแล้วแล้วก็ถ น, นอมศาสนาอื่นก็ว่างเปล่าจากมรรคผลในฝั่งเหนก็คือมันไม่เหมือนกันท่าไม่ไปเสดเขานะผมเชื่นี่เป็นคำตอบของจอมปราบจริงที่ไม่ปฏิเสธคนอื่นแต่บอกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะคนอื่นก็สร้างมรรคผลขึ้นด้วยความคิดดังนั้นจึงมีมิจฉ า, า, า, าสิทธิการตรงข้ามกับสรรมสิทธิการมิจฉาทิฏฐิเป็นปฐม แก็มิจฉาสมาธิและมิจฉาญาณนะมิจฉาวิมุตติมิจฉาญาณครับคือเกิดญาณมันหลุดพ้นแล้วด้วยแต่มันหลุดพ้นแบบมิจฉาคือคือโลกของความคิดมันสร้างขึ้นนะครับมร <S <S ผมผมบอกแล้วว่าเมื่อคิดตัวเองหลุดพ้นก็หลุดพ้นแต่มันหลุดพ้นเบาๆไปหลุดพ้นแบบแบบติดยึดอยู่ในความหลุดพ้นหรือแม้เรื่องจิตว่างนะเราบอกว่าไม่ยึดมั่นถือมันเราก็เลยไม่ยึดจริงๆแต่ว่ากลายเป็นยึดความไม่ยึด ยึดถืความายึดเป็นสารณะไปเลยนั้นมันเต็มไรด้วยอันตรายต่อสิ่งนี้นะครับถ้าเงื่อนต้นของความจริงอันนี้ไม่ถูกสํารวจคือระหว่างองค์กรที่งแปลงความให้เป็นความหมายคือความคิดองค์กรนี้สําคัญนะรายกาจเมื่อเราเห็นดอกไม้ปั๊บนี่ยคิดทันทีเลยนั้นจะต้องเอาตัวที่อยู่นอกระบบของความคิดครับผมบอกแล้วความรู้สึกจด ความรู้สึกสดนี่จะปรากฏไม่ไม่ต่อเนื่องและน้อยสําหรับคนที่ทุศีนนะครับใช้คําทุศีนซึ่งไม่ใช่คำบรร nam คาด่าว่าอะไรทุศีลแล้วมีศีลไม่ไม่ไม่ดีนั่นเองศีลไม่บริสุทธิ์ทุศีลแปลว่าด่างพร้อยนั่นเองครับเช่นดุงชรามากๆเมื่อดูความรู้สึกส่วนก็มันก็เบลอจริงไหมครับไปเซพหรือพูดเท็จบ่อยๆความรู้ตัวเพราะมันพูดเรื่องไม่จริงตลอดเวลา จิตสำนึกเกคยแขนในความไม่จริงมีเหลี่ยมคูตลอดเวลาพูดอะไรนิดต้องต้องเพียงไปจากความจริงตลอดแนวโน้มก็เพียนเอนกันความรู้ตัวก็น้อยลงไปนอนในที่นอนนั้นอ่อนนุ่มสติก็อ่อนความรู้ตัวก็น้อยลงสิ่งอันนี้ก็เป็นอุตส า, าห์พระเจ้าก็มาหยับทั้งในฐานะที่ศีลศีลไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับแบบทหารครเป็นเพียงอะไรสาษาอังอเรีกยกไกด์ลายเท่านั้นนะครับบอกศีลหรือวินัยคล้ายๆกับเป็นราวสะพานครับ คนแข็งแรงจริงไม่ต้องอิงเหล่าสะพนแต่มีน้อยนะครพูดไปก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผมไงแข็งแรงไม่ต้องไม่ต้องพึ่งวินัยก็ได้ <c oughs> สีเหล่านั้นวินัยเหล่านั้นเป็นเหล่าสะพานสําหรับประคับประคอง <c oughs> เมื่อเราต้องเดินข้ามสะพานที่ข้ามยากพ <c oughs> ลาดจากเหล่าสพานแล้วอันตรายเกิดขึ้นได้ง่าย <c oughs> แต่แน่นอนสําหรับคนที่เข้มแข็งจริงๆล่างก็มีพลานามัยจริงๆเนี่ย เขปฏิบัติธรรมได้เลยร้ายองค์ในธรรมบทที่ถูกนําเสนาะไว้เป็นประวัติไม่ได้รักษาสีองค์ขึ้นมาไม่ได้รักษาพายะก็เหมือนกันแขมก่อนหน้านั้นเคยปฏิบัติหลอกลวงประชาชนด้วยครับพา่าย้ายะเนี่ยคือ ท, ท่านเป็นพ่อค้าแล้วก็เรือแตกพอขึ้นฝั่งไม่มีเรื่องธรรมะกินเลยข้า่งาำเป็นพระอรหันต์เอกใบไม้กลัดหุ่งแล้วทำทำท่าทีเป็นอรหันต์ประกาศตนเป็นอรหรันต์ก็ อยู่ดีกินดีขึ้นแต่วันดีคืนดีวันหนึ่งได้ยินข่าวว่าพุทธเจ้าจริงๆเ ร, ราก็ขึ้นแล้วท่านร้อนใจแสดงเนี่ยเชื่อผู้โสเภสัตริกยังแฝงอยู่จึงนึกออกว่า เ, เราหลอกเขาก่อนหน้านั้นไม่ตั้งใจจะหลอกแต่ว่ามันเป็นทางสะดวกทํามาหากินสะดวกดีเพราะเอะจไลก็เดินทั้งวันทั้งคืนครับไปพบพระพุทธองค์กําลังแสวงหาบิณฑ บ, บ, บาตอยู่ในเข้าใจในในตลาดหรือในชุมชน ก็ไปจบข้อเท้าแล้วถามสั้นๆซึ่งคําตอบนั้นลือลั่นไปทุกมิิกายของผู้าำนานะครับแม้มหายานก็ยอมรับว่านี่เป็นยอดประจงคําตอบโดยคําตอบเพียงสั้นๆที่จุดทําให้คนพลิกชีวิตได้นะครผมไม่เชื่อเฉพาะพยะเท่านั้นหลายคนพลิกชีวิตได้ด้วยคําพูดที่เหมานะตสมเมื่อถามว่าปฏิบัติธรรมสิ้นถึงที่ศุกษ์ทําอย่างไรนะครับผู้ตรงทรงจัดห้ามสามครั้งบอกเวลานี้ไม่ใช่การเพราะท่านบินบาส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 นี่เป็นความคิดครับมีการเห็นอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยในตัวมันเองเมื่อใดตาเห็น ร, รูปศัก์แต่เห็นคือเห็นล้วนๆนะครับหูได้ยินเสียงก็ได้ยินล้วนๆสมบูรณ์แบบไม่ใช่ไม่ได้ยินหรือได้ยินครึ่งๆ ก, กลางๆเมื่อใจจิตใจรู้อารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดตัวนี้สำคัญที่สุดนะ ค, คือรู้ล้วนๆครับโดยไม่มีภูมิหลังเข้าไปจอ ไม่มีความคิดแทรกซ้อนว่าฉันกำลังรู้ธรรมะสังเกต ด, ดูเวลาเราสงบนะนั่งสมาธิจิตสงบนะมันพูดกับตัวเองว่าวันนี้สงบดีจังจิตมันจะวิาพาก์วิจารมตลอดเวล า, ลาครับนั้นประเด็นแรกที่สุดข้อแนะนําเบื้องต้นที่สุดในการภาวนาคนะือถอนเสียงกระทิบภายในเสีงทุกซิบกับตัวเองนะครับไอ้ตัวนี้ร้ายดูมันโทษมันน้อยแต่ว่ามันรบกวนมากมครับ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 ใชคําสั้นๆที่พระเจ้าจัดกับพระภายะประมวลสรุปสุดท้ายว่าเมื่อเธอทาอย่างนั้นเมื่อใดาตายลูกสักจะเห็นไม่มีความคิดตุ้งแตแรงนนั้นเป็นการเห็นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ในตัวมนเองครับตัดอดีตอนาคตออกแม้จะปัจจุบันก็ไม่ไม่ไม่รบกวนด้วยความคิดกระซิบกระซาบหูได้ยินเสียงสักจะได้ยิ น, นจิตใจรู้อารมณ์ใดก็สักตะรู้รู้ล้วนๆรู้เฉยๆนะครับ เมื่อ น, นั้นเธอจะไม่ปรากฏในโลกนี้หรือโลกหน้าหรือในโลกท่ามกลางประโยคหลังเนี่ยสำคัญครับเธอคือใครเธอคือความหมายรู้ตัวตนนะครับภาษาพลัง่งเรียกวาคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับตัวเองซึ่งเราฝังแน่นยึดติดไอ้ตัวนี้มันตัวมายาครับพูดใส่แล้วถ้าทำอยู่อย่างที่พระเจ้านะไอ้ตัวนี้ก็จบสิ้นเลยตัวตนที่บรรลุธรรมก็ไม่มี ดังนั้นคำประกาศของภิษชนีรูปหนึ่งน่าสนใจในะชื่อวชิลาครับว่าการเดินมีแล้วผู้เดินไม่มีถ้าคำที่ตรงง่ายและลึกการกินมีแล้วผู้กินไม่มีทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปผิดจากนี้แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับถ้าคำเหล่านี้คมกริบที่จะตัดเฉือนในความลังเลสงสัยนะครับ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 ไม่กินอาหารเลยอาทิตย์หนึ่งหรือแบบโยคีเขาปฏิบัติเขารักษาศีลเคร่งครัดนะครับการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของโยคีที่เมืองลีสิกเก็ตเขาอยู่ริมภูเขาอมาลายพอแต่ข้าวเขาเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้สีลอิมาลายกับีลนิดแล้วกลับมากินอาหารหลังหายไปเดือนกลับมาหายไปสองเดือนกลับมากินดีแล้วหายไปทั้งชาติเลยครับเขาถือความตายเช่นั้นจะไปรวมกับองค์พระเจ้า ศีลเช่นี้พระอริยเจ้าในพุทธศาสนาไม่ชอบใจเพราะมันไม่ใช่เงื่อนต้นของดวมจิตนะครับศีลที่พระเจ้าชอบใจพระอริยเจ้าชอบใจก็คือศีลที่เรียกว่าอาทิคมประจัมนับตั้ง แ, แต่การสํารวมอินทรีย์รู้จักการบริโภคผลประพฤติคำเมื่เครื่องตื่นอะไรอย่างเี้ยซึ่งเนื่องกับการปลุกดวงจิตให้ตื่นขึ้นศีลอันนี้สําคัญ สนนีแปลว่าปกติสม่ำเสมอคือปฏิบัติอยู่อย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่สามวันดีสี่วันข้าสีเหล่า น, นี้ไม่ได้เกี่ยวครับความผิดพลาดซึ่งคนอื่นจะต้องมาปรับมาบัะบ๊ น, นั้นเป็นสีเครื่องนอกครับแต่เป็นสีนนของความปกติภายในซึ่งเจ้าตัวเท่านั้นจะรู้ครับแต่ไยงไก็ตามนะครับเมื่อมีการตั้งสติดูความคิดตั้งใจที่จะสารวจลึก ตำรวดอย่าง่องแท้แล้วความปกติจะปรากฏขึ้นเอง แ, แสดงว่าวิปัสนาทําให้เกิดศีลได้ครังนั้นผู้จ้องจดว่าอย่าดูแคลนปัญญาบางคนอาจจะดูไม่เคร่งครัดในศีลแต่ไม่ใช่เขาจะไม่รู้เรื่องลึกของชีวิตนะอย่างกาารณีภาษาริบุตรอาจารย์ลุงโนรานเขาแก้ต่างให้ว่าท่านชาติก่อนท่านเกิดเป็นลิงพราะมือท่านเดินไปเห็นแอ่งน้ำน่ากระโดดเลย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 ลักเกณฑนี้รู้กันทั่วในฝ่าเตลว่านะครับดูว่ามันเป็นหลักดั้งเดิมพิจารณาเนแง่ใจรักคือพิจารณาเห็นว่าฐันท่านั้นตั้งแต่ลูกจนถึงยินยอมนั้นไม่เที่ยงเป็นอนัตตาในบทสวดมนต์นไม่มีคำว่านะทุกนะครทุกนั้นเป็นเป็นบทผนวกเพื่อสารเชื่อมกับวาระจิตของมนุษย์เท่านั้นแต่โดยสัตวธรรมธรรมชาติไม่มีคำว่าทุกอนิจจังกับอนัตตาเท่านั้นลูกเป็นอนิจจัง ลูกเป็นอนัตตาเวทนาเป็นนิจารเวทนาเป็นอนัตตาในบทนั้นไม่มีคำวัตทุเนี่ยเมืม่อพิจารณานี้แล้วก็มีความเชื่อว่าจะคลายกํรรนะคลายออกสิ่งเคยยึดติดก็จคลายออกคลายกําหนัดนิพิทาวิราคาวิมุตถผลรู้ตอนน่อเนรผลแล้วหลบเช่นนี้ชาวพุทธเสรวน์รู้กันทั่วไปหมดครับเป็นทฤษฎีบท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 อ น, นิจจังทุกขังนัตตาเป็นอยู่โดยมีชื่อครับเป็นอยู่แล้วโดยไม่มีชื่อทำมาบัญญตัติถูกบัญญัติขึ้นทีหลังเชกษณะการคริปตาหายใจเข้าใจออกนิ่งไม่ได้ขยับขยื่นนี่คืออาจารย์อ น, นิจจังพอควบคุมเข้าคุมไม่ได้นานร่างกายจะสั่นเทิมขึ้นมาเป็นนั่งนิ่งสิกดลวงความตามที่ผมเข้าใจก็คืออ น, นิจจังทุกขังนาาัตตาซึ่งเป็นลักษณะสากลของสาระสิทธนั้นเป็นอยู่แล้วโดยไม่มีชื่อครับพุทธเจ้ามาเปิดเผยขึ้นมาดังนั้น ถ้าไปพิจารณากันอีกการเป็นซ้อนกข้าไการเอาสัญญาเข้าไปซ้อนกเข้นไปนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามนะครับแต่ผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆว่าการชาระให้มีการเห็นถึ่บริสุทธิ์ขอบเพียงเลยครับที่จะเข้าใจความหมายในส่วนสุดเกินนอกความคิดนะครับว่าอ น, นิจจังทุกขงกังนักตาหมายถึงอะไรโดยไม่ต้องมีความคิดเลยตราบใดที่มีความคิดอยู่อ น, นิจจังทุกขงกังอนักตายัางเป็นของเอียงครับ ยังเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นในสิ่ง